ปัญหาที่1ิหถามความวิเศษแห่งปัญญาข้าแต่พระนรักเสนปัญญาอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นปัญญาก็ไม่มีนะสีขอถวายพระพรลมอยู่ที่ไหนลมไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นลมก็ไม่มีนะสี ถูกแล้วพระนักเซน